สวัสดีครับเรื่องเล่าสยองขวัญขอนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องผีปอบกินจนไม่เหลือเรื่องเกิดขึ้นเมื่อสมัยที่เป็นเด็กเธอได้ไปเล่นน้ำกับเพื่อนๆตามภาษาเด็กๆต่างจังหวัดระหว่างที่เล่นกับเพื่อนอย่างสนุกสนานมีเพื่อนคนหนึ่งได้หายไปเธอและเพื่อนๆได้ช่วยกันตามหาแต่ก็ไร้วี่แววต่างคนก็ต่างคิดว่าเพื่อนคนนั้น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 เธอได้แต่จ้องมองไปที่เด็กกลุ่มนั้นและทันใดนั้นเธอได้เห็นเพื่อนของเธอที่หายไปอยู่ในเด็กกลุ่มนั้นเธอจึงร้องตะโกนขึ้นมาว่าเจอแล้วทุกคนหันไปตามที่นิ้วของเธอชี้ไปที่จุดนั้นต่างพากันงงว่าเธอเจออะไรทั้งๆ ท, ที่ตรงนั้นไม่มีอะไรเลยเธอวิ่งไปที่ตรงนั้นแล้วชี้ลงไปในน้ำ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 เหตุการณ์ประหลาดที่ไม่สามารถอธิบายได้นับตั้งแต่วันนั้นก UM ็เกิดเหตุการณ์ซ้ำๆและยิ่งหนักขึ้นท uh ุกวันเด็กที่พูดถึงก็คือเราเองตั้งแต่9ขวบจนถึงปัจจุบัน23ปีเจอเรื่องราวแบบนี้มาตลอดจนเป็นคนเสียสติอยู่สองปีคงไม่ต้องบอกว่าหนักแค่ไหนด้วยความที่เราเป็นเด็กเพิ่งเจอเหตุการณ์แบบนี้มา พ่อกับแม่จึงห้ามไม่ให้ไปงานศพเพื่อนเราอยู่บ้านกับพี่สาวระหว่างที่กำลังนั่งดูการ์ตูนอยู่พี่สาวเราตะโกนมาจากหน้าบ้านขอแทนตัวเองว่าทีทีทีเพื่อนมนเนี่ยยืนอยู่นานแล้วมาพาเพื่อนเข้าบ้านก่อนซึ่งพี่สาวเราเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพรู้ว่ามีเพื่อนจมน้ำตายแต่ไม่รู้ว่าคนไหน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 ความรู้สึกตอนนั้นอธิบายไม่ถูกแบบขยับไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เราทําได้แค่ยืนนิ่งๆแต่ยิ่งเราจ้องมองไปที่ที่เพื่อนยืนอยู่เรายิ่งค่อยๆเห็นเด็กที่เราไม่รู้จักยืนจับแขนจับขาเพื่อนเราประมาณห้าคนบางคนหัวเราะชอบใจบางคนร้องไห้แต่มีอยู่คนหนึ่งในนั้นคิดว่าจะโตที่สุดแล้ว ชี้หน้ามาที่เราแล้วยิ้มตอนนั้นมันช่างเป็นรอยยิ้มที่น่ากลัวอย่างบอกไม่ถูกขนาดที่เราขยับตัวไม่ได้พี่สาวเราก็เดินมาเรียกทีทีเป็นอะไรอ่ะแค่นั้นแหละร้องไห้โหเลยพูดให้พี่สาวฟังพี่สาวก็ไม่รู้เรื่องด่าเราอีกนึกภาพถึงเด็กที่ร้องไห้หนักแล้วพูดแบบนั้นเลยพ่อกับแม่กลับมาจากงานศพ เรากับพี่สาวจึงเล่าให้พ่อกับแม่ฟังแม่จึงเอาพระมาคล้องคอแล้วบอกว่าคืนนี้เดี๋ยวไปนอนกับแม่แล้วพรุ่งนี้เช้าไปหาหลวงพ่อที่วัดกันเช้าวันรุ่งขึ้นพ่อแม่และพี่สาวพาเราไปหาหลวงพ่อที่วัดยังไม่ทันได้นั่งเลยหลวงพ่อก็ทักขึ้นมาว่าไปทําอะไรมาตัวเปียกไปหมดเลยเรา พ่อแม่และพี่สาวมองหน้ากันแบบงงๆสักพักแม่ได้เล่าให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อยังไม่ทันได้ฟังจบก็พูดกับแม่ว่าเองสองคนเป็นพ่อเป็นแม่ประสาอะไรปล่อยให้ลูกไปเล่นน้ำที่นั่นอยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วไม่รู้ประวัติเหรอพ่อกับแม่มองหน้ากันแล้วอยู่ดีๆพ่อก็พูดขึ้นมาว่าอ๋อปโท ทำไมคิดไม่ได้วะแล้วหันไปถามหลวงพ่อว่าแล้วจะทำยังไงดีหลวงพ่อไอ้ทีจะเป็นอะไรไหมหลวงพ่อท่านเลยบอกว่าให้พาเรากับเพื่อนๆอนไปขอขมาที่ตรงนั้นและให้พ่อแม่เด็กที่ตายไปเอาวิญญาลูกกลับบ้านท่านจะพาไปทำพิธีเองพ่อกับแม่ถึงรีบพาเราไปที่บ้านเพื่อนเพื่อนที่เล่นน้าด้วยกันแล้วเล่าให้พ่อแม่เพื่อนฟัง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 ได้ลงไปวิ่งเล่นตามภาษาเด็กๆ เ, เด็กเหล่านั้นคงจะเล่นซ่อนแอบกันเลยไปหลบหลังกองดินระหว่างนั้นรถที่ใช้ไถนาดินให้เรียบได้ขับมาไถนาดินตรงนั้นโดยที่ไม่ทันได้สังเกตเด็ก3คนนั้นเลยเกิดเหตุการณ์น่าสลดขึ้นเด็ก3คนนั้นไม่มีใครรอจากเหตุการณ์ครั้งนั้นหลังจากขุดบ่อน้าแห่งนั้นเสร็จไม่นาน ก็มีเด็กสองคนจมน้ำตายโดยสภาพเด็กทั้งคู่จับมือกันไว้แน่นไม่มีท่าทางของการดิ้นรนใดๆทั้งสิ้นคนที่เห็นเหตุหการณ์เล่าว่าขนาดขับรถผ่านได้เห็นเด็กสองคนเดินจับมือกันไปทางหนองน้ำด้วยอาการเมื่อรอยแต่ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ตั้งแต่วันนั้นมาชาวบ้านก็เชื่อว่าอาจจะเป็นเพราะวิญญาณเด็กๆเหล่านั้น ที่ทำให้เด็กทั้งสองคนนี้ตายจึงได้ตั้งสารเพียงตาขึ้นไว้ข้างๆหนองน้ำแห่งนั้นจนเวลาผ่านมาหลายปีทุกคนลืมเรื่องนี้ไปแล้วและคิดว่าเด็กเหล่านั้นคงจะไปเกิดกันแล้วแต่ที่เราเห็นมันไม่ใช่เลยพวกเขายังอยู่ตรงนั้นแต่ที่สงสัยก็คือทำไมต้องเป็นเพื่อนเราคนนี้ทั้งๆที่ไปเล่นกันหลายๆคน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 ก็ได้เห็นรองเท้าคู่หนึ่งในนั้นเราจำได้แม่นเลยว่าเป็นรองเท้าเพื่อนคนที่ตายไปพวกเราจึงคิดว่าเพื่อนคนนั้นคงกลัวรองเท้าหายเลยไปหาที่ใส่ไว้พอเป็นรองเท้าพ่าใบคู่ใหม่อาจจะเห็นมีปี๊บตกอยู่เลยเอาใส่ลงไปหลังจากทำความสะอาดเสร็จหลวงพ่อได้เริ่มทำพิธีขอขามาพอเสร็จพิธี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 เพราะอยากมีเพื่อนใหม่แล้วสาเหตุที่เพื่อนเราตายก็คือไปลบลู่เขานั่นเองหลวงพ่อจึงแนะนำให้เราไปถือศีลที่วัดเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้เราจึงได้ทำตามหลังจากถือศีลจนครบสามวันหลวงพ่อบอกกับเราว่าเพื่อนๆได้รับแล้วนะไม่ต้องก่วงไม่เป็นอะไรแล้วแต่คนที่ได้เห็นได้รับรู้เรื่องของสิ่งมองไม่เห็นแล้ว จะรับรู้ไปตลอดชีวิตนี่คือเรื่องแรกของเราเกี่ยวกับสิ่งที่มองไม่เห็นหลังจากนั้นทุกอย่างก็ปกติจนกระทั่งเราอายุครบ15ปีเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อเราอยู่ชั้นม .3 เทอมที่2มีลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่งขอใช้ชื่อว่าพี่พลอยพี่พลอยอายุประมาณ20ปีมาอยู่กับเราที่บ้าน วันนั้นเรากับพี่พลอยขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของที่ตลาดเป็นปกติทุกวันแต่รถดันเสียเลยต้องเอาไปซ่อมประมาณหกโมงเย็นเราก็กลับบ้านเราเป็นคนขับระหว่างทางจะมีศาลาข้างทางอยู่ดีๆพี่พลอยก็พูดขึ้นมาว่าที่ที่ดูผู้หญิงคนนั้นดิหน้าสงสารสงสัยจะเป็นคนบ้า แต่ตอนนั้นเรามองไม่เห็นจริงๆขณะที่เรากำลังขับรถผ่านศาลาไปตาเราเหลือไปมองที่ศาลาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่เสื้อผ้าเก่าๆผมยาวๆเขามองเราแล้วยิ้มอยู่ดีๆเขาก็วิ่งออกมาจากศาลาแล้วมาชนรถเราเรากับพี่พลอยก็ะเด็นไปคนละที่พี่พลอยแขนหักเราเป็นแผลถลอกหลายที่ คนที่ขับรถตามมาเขาก็มาช่วยพาเราส่งโรงพยาบาลพอ่อแม่และพี่สาวตกใจมากเรากับพี่พลอยนอนอยู่ในห้องฉุกเฉินทำแผลอยู่ได้ยินเสียงแม่ถามคนที่เห็นเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าเห็นน้องเขาสามคนขับรถออกมาเรื่อยๆปกติ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 แม่เราโมโหมากเลยด่าออกมาหลายคาอยู่หมอให้เรากลับบ้านได้แต่พี่พลอยต้องนอนรออาการคืนหนึ่งระหว่างทางกลับบ้านแม่เราถามว่าคนที่มาด้วยใครแล้วมันเป็นอะไรถึงกระโดดลงเราบอกแม่ไปว่าหนูมากันสองคนแม่แล้วหนูเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเขาอยู่ในศาลาเขาวิ่งมาชนรถหนู แล้วหนูก็ไม่เห็นเขาอีกแม่บอกว่าจะเป็นไปได้ยังไงก็คนที่มาช่วยเขาก็เห็นเห็นอยู่เราจึงตอบแม่ไปว่าหนูก็งงเหมือนกันแม่ระหว่างทางที่จะกลับบ้านเราต้องขับรถผ่านศาลาหลังนั้นรถกำลังขับผ่านเราค่อยๆมองไปที่ศาลานั้นสิ่งที่เห็นก็คือผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่ในศาลาเขาปลกบมือ แล้วกระโดดไปมาเหมือนคนดีใจแล้วเขาก็ออกวิ่งตามรถเรามาเลยเรานั่งตัวแข็งแม่เริ่มดูออกเลยพูดไปว่าเดี๋ยวกูจะเอาพระท่านมาไล่เราได้แต่ก้มหน้าไม่กล้ามองไปข้างหลังเพราะถ้าเจอหลอดกำลังวิ่งตามนี่คือตายแน่ๆแต่พี่สาวเราร้องไห้แล้วบอกว่าแม่เมื่อกี้หนูเห็นคนยืนอยู่ข้างทาง แล้วชี้มาที่เราน่ากลัวมากเลยแล้วพี่สาวเราก็ร้องไห้เมื่อถึงบ้านเราก็ไปนอนกับพ่อแม่เพราะในห้องแม่มีหิ้งพระอยู่แม่กลัวว่าจะเป็นอะไรอีกคืนนั้นเรานอนฝันแปลกๆฝันว่ามีหมาตัวสีดำตัวใหญ่มากกัดที่พี่พลอยตัวขาดครึ่งเลยเราสะดุ้งตื่นตอนนั้นก็เกือบเช้าพอดี จึงค่อยๆเดินไปหาแม่ที่กำลังนั่งทำกับข้าวอยู่ในครัวแล้วเล่าให้แม่ฟังแม่ทำหน้าเหมือนคิดอะไรอยู่แล้วบอกกับเราว่าไม่มีอะไรหรอกฝันร้ายกลายเป็นดีแม่ค่อยๆพยุงเราไปนั่งที่หน้าบ้านแล้วแม่ก็เดินไปหาพ่อได้ยินเสียงแม่เล่าความฝันเราให้พ่อฟังแต่เสียงแม่กับพ่อตอนคุยกันเหมือนเครียดมากเลย แต่เราก็ไม่เข้าใจความหมายอยู่ดีเรานั่งไปสักพักรู้สึกเหมือนคนวิ่งผ่านหน้าบ้านไปแต่วิ่งเร็วมากเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่มันมีเหมือนเสียงคนหัวเราะกล้องอยู่ในหัวอยู่ตลอดเวลาเรียกแม่มาอยู่เป็นเพื่อนตกตอนประมาณบ่ายสามโมงแม่ต้องพาเราไปล้างแผลที่โรงพยาบาลและไปรับพี่พลอยกลับบ้านด้วยพ่อจึงขับรถพาเราไป พอเสร็จธุระที่โรงพยาบาลเรากลับบ้านกันพ่อขับรถแม่นั่งข้างหน้าตรงข้างๆพอ่อเรากับพี่พลอยนั่งข้างหลังแต่แปลกที่พี่พลอยไม่พูดอะไรเลยสักคําเราก็ได้แต่คิดว่าพี่พลอยคงเจ็บแผลพอถึงบ้านแม่ก็ไปยุงเราไปยืนรออยู่ที่ประตูหน้าบ้านแม่จะกลับไปช่วยพยุงพี่พลอยที่นั่งอยู่บนรถระหว่างที่แม่กําลังเดินกลับไป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 กว่าเราจะย่างก้าวขึ้นไปเปิดประตูได้ได้ยินเสียงแม่กับพ่อถามพี่บีว่าเป็นอะไรบีร้องอย่างกับเจอผีพี่บีหานไม่ตอบแม่ทันทีว่าเจอผียังดีกว่านี้อีกแม่ไอท้ทีเปิดประตูเร็วๆ เ, เรารีบเปิดประตูออกไปพี่บีรีบวิ่งเข้ามาในห้องแล้วกระโดดขึ้นไปนั่งบนเตียงเราพ่อกับแม่ตามเข้ามาแล้วปิดประตู แม่ถามพี่บีว่าเกเป็นอะไรบีพี่บีตอบแบบกลักลวๆว่าก่อยพลอยสิแม่นอนอยู่ดีๆมันมาเลียหูบีแล้วก็หัวเราะข้างๆบีตอนแรกบีคิดว่าน้องมันละเมอเลยจะหันหน้าไปเรียกมันพอหันไปเห็นมันนอนยิ้มอยู่แต่ตามันดุมากเลยนะแม่บีกลัวเลยจะวิ่งออกมา ได้ยินเสียงดังตึงหันไปดูไอพ้พลอยเอามือเคาะผนังแล้วหัวเราะลัล่นเลยแม่แต่บีงงนะแขนมันหักไม่ใช่เหรอแม่ฟังจบเลยพูดว่าห้องเองก็ติดกับแม่ถ้าไอพ้พลอยมันเคาะแม่ก็ต้องได้ยินสิวะพี่บีเลยพูดสวนกลับไปว่านั่นไงเห็นไหมหนูว่าแล้วแม่ต้องไม่เชื่อทีวันนี้พี่นอนด้วยนะ แต่แม่จะ๊ะพ่อจะ๊ะเราไปดูพี่พลอยหน่อยดีไหมพ่อก็เลยตอบว่าดีเหมือนกันพวกเราสี่คนค่อยๆเดินไปที่ห้องพี่พลอยแม่เปิดประตูเข้าไปแล้วก็พูดว่าอา้าวไอ้พลอยไปไหนล่ะแค่นั้นแหละพวกเราสามคนที่เหลือก็เข้าในห้องพ่อหาไม่เจอเลยแยกย้ายกันตามหาแม่กับพ่อก็ตะโกนเรียก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 แล้วเราก็ต้องหยุดชะ ง, งักอยู่ตรงนั้นเพราะเราเห็นพี่พลอยนอนอยู่ในท่านอนหงายปกติแต่ผู้หญิงคนนั้นนั่งคลอมพี่พลอยอยู่แล้วเขาเลียหูพี่พลอยพร้อมมีเสียงแบบบอกไม่ถูกเป็นเสียงเหมือนคนเลียอะไรสักอย่างเรายืนนิ่งเลยทำอะไรไม่ถูกพี่บีตีแขนเราแรงมากไอทีเป็นอะไรวะ เรียกสิบกว่ารอบแล้วเนี่ยไม่มีอะไรพี่บีโทรหาพ่อกับแม่ให้กลับบ้านเถอะพี่บีถามว่าทำไมล่ะเราเลยชี้ไปที่เตียงแล้วบอกว่าพี่พลอยนอนอยู่นั่นไงพี่บีทาหน้าตกใจมากหันมาหาเราแล้วพูดกับเราว่ามาได้ไงวะเราทำได้แค่สายหน้าเพราะก็ไม่รู้เหมือนกันพ่อกับแม่กลับมา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 ปากสีม่วงคือสภาพตอนนั้นมันขัดกับคาว่าโอเคมากแม่เรียกเรากับพี่บีไปคุยกันที่ในครัวแล้วบอกเราว่าช่วงนี้แกสองคนอย่าไปอยู่ใกล้อีพลอยมากนะพี่บีเลยถามว่าทำไมอ่ะแม่แม่หันมาที่เราแล้วถามว่าตั้งแต่แกฝันแกเจออะไรอีกไหมเราเลยเล่าเรื่องเมื่อคืนให้แม่ฟังแม่ตีตักตัวเองนังเพลีย กูว่าแล้วใช่แน่ๆเราเลยถามแม่ว่าใช่อะไรแม่แม่ตอบเราว่าไอพ้พลอยโดนปอบเล่นงานแล้วเรากับพี่บีมองหน้ากันแล้วตะโกนออกมาเสียงดังว่าฮะปอบเราพูดต่อว่าไม่จริงหรอกแม่ปอบมันมีแต่ในหนังไม่ใช่หรอกแม่หันมาดูเราแล้วบอกว่าเรื่องที่แกคิดว่ามันไม่จริง ไม่มีจริงไม่ได้แปลว่ามันไม่มีนาทีพี่บีกอดเราแน่นพี่จะนอนห้องแกนะอืมโอเคเราตอบพี่บีไปเราถามแม่ว่าเอาไงดีแม่แม่เลยบอกให้พวกเราคอยจับตาดูพี่พลอยดีๆแม่จะไปถามหมอผีที่หมู่บ้านข้างๆแม่กับพ่อออกไปหาหมอผีมาถึงตรงนี้ทุกคนคงสงสัยกันใช่ไหม ว่าบ้านเราไม่ทำงานกันเหรอบ้านเราเป็นร้านขายของชำพี่สาวเราออกจากงานแล้วมาช่วยแม่ขายของพ่อเราเป็นผู้ใหญ่บ้านระหว่างที่รอพ่อกับแม่เรากับพี่บีนั่งดูหนังอยู่ในร้านได้ยินเสียงของหล่นแตกพี่บีวิ่งไปดูแล้ววิ่งกรีดออกมาหาเรากอดเราตัวสั่นเลยพี่บีพี่บีเป็นอะไร ที่ไปดูไอ้พลอยสิมันนั่งกินเนื้อวัวของพ่อสดๆเลยพี่เข้าไปเห็นมันกําลังเคี้ยวอยู่เลยพี่ไม่อยู่แล้วนะจะไปบ้านเพื่อนเอ้าพี่บีจะทิ้งน้องเหรอแผลหนูยังไม่หายเลยอยู่ด้วยกันก่อนเดี๋ยวหนูไปดูเองเราค่อยๆเดินไปที่ห้องครัวแต่ต้องหยุดชะ ง, งักเพราะพี่พลอยเดินออกมาพอดีพี่พลอยไปไหนเหรอเราถามไป พี่พลอยไม่ตอบยิ้มอย่างเดียวแล้วเดินขึ้นไปนอนเราเดินเข้าไปในห้องครัวเราเห็นถุงที่พ่อใช้ใส่เนื้อวัวหล่นอยู่ที่พื้นเนื้อวัวเหมือนจะยังอยู่ครบแต่แปลกที่เครื่องในหายหมดเรารีบโทรหาแม่และเล่าให้ฟังแม่บอกว่าแม่กาลังกลับให้ดูพี่พลอยดีๆอย่าให้ไปไหนแม่จะพาพี่พลอยไปไล่ผี เราได้ยินและคิดในใจว่าเรื่องมันชักจะไปกันใหญ่แล้วเกิดอะไรขึ้นกันแน่อยู่ดีๆพี่พลอยจะโดนผีปอบทำร้ายได้ไงเราจึงชวนพี่บีไปดูพี่พลอยพี่บีกลัวมากแต่ก็ยอมไปกับเราเราเดินไปที่ที่ห้องพี่พลอยนอนอยู่เห็นพี่พลอยนอนหันหน้าเข้าคางฝาเราโล่งใจมากกําลังจะเดินกลับไปที่นาบ้านได้ยินเสียงพี่พลอยเรียก ทีทีมาหาพี่หน่อยเรามองหน้าพี่บีสงสัยว่ารู้ได้ยังไงว่าเรามาทั้งๆ ท, ท, ที่นอนหันหลังอยู่เราจึงเดินเข้าไปพี่บีดึงแขนเราไว้เราบอกว่าพี่บีไม่เป็นอะไรหรอกหน้าเราเดินเข้าไปใกล้พี่พลอยแล้วพูดว่าพี่พลอยเอาอะไรหรือเปล่าพี่พลอยหันมาหน้าพี่พลอยโศมมากร้องไห้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 เรากระเด็นออกมาไกลามากพี่บีวิ่งมาช่วยพยุงเราขึ้นตอนนั้นพี่บีคงโมโหมากเลยเผลอด่าลออกไปเป็นอะไรอีผีเวนหลังจากนั้นพี่บีรีบพาเราลงไปข้างล่างสักพักพ่อกับแม่มาถึงเห็นพี่บีนั่งทําแผลให้เราอยู่เพราะแผลเดิมเรามันเปิดเพราะพี่พลอยผลักเมื่อกี้แม่โมโหมากเลยพูดกับพ่อว่า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 สักพักพอพ่อหมอเอาน้ำสีดำๆมาราดลงตัวพี่พลอยพี่พลอยก็ร้องกรีดขึ้นแล้วพูดเป็นภาษาเหมือนภาษาเขมรเราฟังไม่ออกพี่พลอยแลบลิ้นออกมาเลียปากตัวเองลิ้นยาวมากพอหมอทำพิธีเสร็จจนพี่พลอยสลบไปเราไม่ขอเล่าถึงการไล่ผีครั้งนี้ว่าทำยังไงบ้างเพราะตอนนั้นมันเลือนลางมาก สักพักพ่อหมอเดินมาหาพ่อกับแม่เราพ่อกับแม่พี่พลอยแล้วก็บอกว่าทำใจไว้บ้างนะเพราะตอนนี้มันได้เขาพี่พลอยเต็มตัวแล้วแต่พ่อหมอจะช่วยเต็มที่ตอนนี้กลับไปบ้านไปเอาน้ำมนตที่พ่อหมอให้เอาไปให้เขากินนะเราตกใจในสิ่งที่ได้ยินและสงสารพี่พลอยมากเพราะสภาพพี่พลอยตอนนั้นดูแย่มากๆกลับมาถึงบ้านพ่อแม่พี่พลอย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 ได้ยินเสียงคนเ อ, อะอะโวยวายเราเลยออกไปดูพี่บีวิ่งมาบอกว่าที่ไอ้พลอยอยู่ดีๆก็ชักตาเลือกเลยอ ว, วกเป็นเลือดด้วยนะเราก็รีบวิ่งไปเห็นพ่อเรากับพ่อพี่พลอยกําลังช่วยกันอุ้มพี่พลอยขึ้นรถเพื่อที่จะพาไปโรงพยาบาลแต่พ่อเราอุ้มไปยังไม่ทันถึงรถก็หยุดเหมือนเดินต่อไม่ได้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 นั่งกอดเข่าอยู่แล้วหัวเราชอบใจเราเลยตะโกนออกไปว่าแม่แม่มันอยู่บนตัวพี่พลอยเท่านั้นแหละสงคลามน้ำลายก็เกิดขึ้นทุกคนตะโกนด่าทุกคำที่คิดได้ตอนนั้นแม่วิ่งไปเอาน้ำมนมาสาดใส่พี่พลอยผู้หญิงคนนั้นก็หายไปพอรีบพาพี่พลอยขึ้นรถแล้วเราก็ไปที่โรงพยาบาลกัน ระหว่างทางไปโรงพยาบาลพี่พลอยก็สลบไปเมื่อขับรถผ่านศาลาหลังนั้นเราเห็นผู้หญิงคนนั้นยืนโบกมือแล้วก็ยิ้มกับเราเรากังวลมากกลัวพี่พลอยจะเป็นอะไรพอถึงโรงพยาบาลพยาบาลรีบวิ่งออกมารับพี่พลอยเข้าห้องฉุกเฉินเราได้แต่นั่งภาวนาให้พี่พลอยปลอดภัยแม่พี่พลอยเอาแต่ร้องไห้ทุกคนอยู่ในสภาวะตึงเครียด แล้วหมอก็เดินมาบอกว่าพี่พลอยเสียแล้วเรานี่สุดลงตรงนั้นเลยทุกคนร้องไห้แม่พี่พลอยวิ่งเข้าไปดูพี่พลอยเพราะไม่เชื่อว่าลูกตัวเองจะจากไปเร็วขนาดนี้เรากับพี่บีเดินตามเข้าไปเพื่อจะดูพี่พลอยแต่เราไปเจอภาพที่มันยังคงติดตาเราจนถึงทุกวันนี้สภาพพี่พลอย ไม่มีโครงหน้าของพี่พลอยอยู่เลยแก่มากตัวเหี่ยวหน้าตาเหี่ยวยน่นปากเป็นสีม่วงตาคล้ำมากหมอบอกว่าพี่พลอยเสียตั้งแต่ยังมาไม่ถึงแล้วหมอขอวินิจฉัยอีกทีให้หยาดไปทำเรื่องนำศพออกจากโรงพยาบาลหลังจากเสร็จภารกิจทุกอย่างขอตัดไปที่งานศพพี่พลอยเลยงานเต็มไปด้วยความโศกเศร้าหลวงพ่อรูปเดิมจากเมื่อตอนที่แล้ว ท่านเดินมาหาแม่เราแล้วบอกว่าเขาก็อยู่ในที่ของเขาปากเราเองที่ไปพาเขาเข้ามาหาเราเองเมื่อท่านพูดจบเรานึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดอุบัติเหตุที่พี่พลอยพูดขึ้นว่าดูผู้หญิงคนนั้นดูผู้หญิงคนนั้นสิใส่เสื้อผ้าเก่าๆเหมือนคนสติไม่ดีน่าสงสารจังหลวงพ่อมองมาที่เราแล้วบอกว่า มันคิดว่าสงสารมันเลยอยากให้มันมาอยู่ด้วยพวกนี้มันเป็นพวกสามภเวสีที่ชอบเกาะกินอยู่แล้วมันแยกแยะไม่ออกดอกว่าระหว่างคำว่าสงสารกับให้มาอยู่ด้วยเราร้องไห้ออกมาเพราะสงสารพี่พลอยจับใจสรุปหมอวินิจฉัยออกมาว่าอาวัยวะภายในล้มเหลวฉับพลันเพราะหมอไม่สามารถระบุได้ เพราะในตัวพี่พลอยไม่มีอวัยวะภายในใดๆหลงเหลืออยู่เลยหลังจากเสร็จงานศพแม่เราได้ไปเชิญหมอผีมาที่สาาหลังนั้นและทําพิธีไล่ผีหลังจากทําพิธีเสร็จพ่อหมอยื่นหม้อดินให้ใบหนึ่งให้พ่อพี่พลอยแล้วบอกว่ามันทําลูกเอามันไปทรมานเอามันไปทิ้งไปฝังก็ได้อย่าให้มันได้ผุดได้เกิด พ่อพี่พลอยขุดหลุมอยู่ในที่หลังบ้านซึ่งเป็นที่โลง่งขุดลึกมากแล้วเอาผ้า ห, อห่อหลายชั้นแล้วฝังลงไปเวลาผ่านไปหลายปีจนเราขึ้นมอห้าเรามาเรียนต่อที่กรุงเทพมาอยู่กับพี่บีเพราะพี่บีมาทำงานช่วงปิดเทอมเรากลับไปบ้านพ่อกับแม่มารับที่สถานีรถไฟระหว่างทางกลับบ้านต้องขับผ่านบ้านพี่พลอย เราจึงแวะไปบ้านพี่พลอยพอไปถึงเห็นพ่อแม่พี่พลอยกำลังขนของเพื่อจะย้ายที่อยู่เพราะมีคนมาซื้อที่ผืนนี้เรากับพี่บีเดินไปเก็บมะม่วงที่สวนหลังบ้านเราพูดกันว่าพี่บีจําเรื่องนั้นได้ไหมพี่บีตีแขนเราแล้วบอกว่าใครจะลืมลงวะอย่าพูดกลัวเรามองไปที่ที่ดินผืนนั้น เห็นคนงานหลายคนกำลังถมหน้าดินเพื่อจะสร้างอะไรสักอย่างเราจึงไปถามพ่อพี่พลอยว่าเขาจะทำอะไรกันเหรอพ่ออ๋อเขาจะขุดสระน้าทุกคนคิดเหมือนเราใช่ไหมว่าตรงนั้นมีอะไรฝังอยู่เรารีบเดินไปหาแม่แล้วบอกว่ากลับบ้านเถอะแม่จึงรีบพากลับบ้านพ่อกำลังขับรถออกจากบ้านพี่พลอยเราเห็นผ้าผืนหนึ่ง วางอยู่ข้างถนนแล้วเราจำได้แม่นว่ามันคือผ้าผืนเดียวกันกับที่หอหม้อดินใบนั้นและมันคงหลุดมาแล้วจริงๆวันรุ่งขึ้นเรากลับกรุงเทพเลยและจนปัจจุบันเราไม่ค่อยได้กลับบ้านถึงหน้าเทศการพ่อกับแม่จะมาหาแทนคำถามที่ค้างในใจเราก็คือแล้วตอนนี้มันอยู่ไหน เรื่องราวทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซั s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเรื่องใหม่ๆด้วยนะครับ